ถ้าไปี่รับเนี่ยขาก่อนนั้นเกือบตายไปเบ่งฟัสะวะอยู่ห้านาทีจึงออกบิดเบือนอยู่มันไม่ออกมันเป็นโรคโรคลกูลกหมากโตมันเป็นเวนเอาควายไปไถนาไม่ให้มันเยี่ยวเกงว่ามันจะสายแล้วก็ทามเชือกมันไป เวียนนันตามมาทีนี่อเอาแจกกันสักแจกกันสัเข้ามันอมยาเลยเก็บวันเก็บวันด้เนย เ, เรื่องออกว่าม่นมอมยาเนาะเื่อตัวตายเท่านั้นเหมือนทุกวันนี่เวลาอื่นไม่ต้องไม่สำคัญ เวลาคนแปดสิบแรกพอจะเตรียมตัวตายแั้วนั่นเวลาด่วนที่สุดนึงมดเวลาเวลานั่งมันก็หมดนั่งก็ขมเห่นอนก็ขมเห่มันไม่รับฉันดื่มก็คมขื่มันไม่อยากรัฐวะก็ขมเห่งมันไม่อยากออกอวุจิระก็เหมือนกัน ธรรมเทศนานะาาวางไว้ก่อนข้อมเฮาว้อมเพินอธิวัติไงข้อมเอวังชนาจะมัดจุจะอธิวัตจันติปานีนู่นไม่เลือกมากาความตายมาถึงแล้ว ไม่มีท่านผู้ใดจะไถ่ถอนความตายได้ด้วยเวทมนต์หรือด้วยทรัพย์เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงรีบทําความดีเทิดพระบรมศาสดาเวลาไม่น้อยนักเธอทั้งหลายอย่าเข้าใจว่า ม, มีเวลานานเนอพระบรมศาสดาเวลาเม่นิดเดียวเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระบรมศาสดาสอน เมื่อกี้เนี่ยท่านเทศเรื่องโทษชงข่สูตรคือเป็นทางตรัสรู้โทษชงข่สูตรมีอยู่เจ็ดข้อท่านเทศเมื่อกี้ได้มาได้ได้ฟังม า, ามทางทางพอมาถึงนี่ท่านก็หยุดซะโทษชงเจ็ดจงย่นโทษชงเจ็ดลงในไตรสิขาสติความเลือกได้ สัพชงจัดเป็นกิตติเสีขาข้อสองธรรมวิจยะความสอดสองธรรมจัดเป็นปัญญาเสกขาวิิยะความเทียนจัดเป็นศสีลศเสียขาปีติความเอ็นใจ อินใจก็จัดเป็นิตะสิขาเหมือนกันปัจฉิความสงบใจและอารมณ์ก็จัดเป็นสมาธิสิขาเหมือนกันปัญญาความรอบรู้ปัญญาอุเบกขาความวางเฉยต่อสังขารก็จัดเป็นสมาธิก็ถูกจัดเป็นนื้พันาก็ถูก โดยกามไตริกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาทมแต่ละวระบาตเครบไตริกขาหมดชีติประธานสี่ก็ครบไตริกขากายเวทนาคิธรรมสมปะทานสี่ความเพียรสี่อย่างเพียรระวังมหาบาปเกิดขึ้นในสันดาหเพียรระวังรักษา กุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นสันดาเพียร์หนาบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นเนี้ยสันดาปรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมย่นความเพียรลงเป็นสองเพียรละชั่วทําดีเพียรละบาปบําเพ็ญบุญเพียรละทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็มีความหมายอันเดียวกันปีติความอิ่มใจ ในกรรมฐ า, านที่ตั้งไว้อันนั้นก็จับเป็นจิตตะเสขาวัจฉิความสงบใจและอารมณ์ไม่ได้นึกพุ่งสร้างไปทางอื่นเพราะพิจารณาอยู่ในกรรมฐ า, านเดิมสมาธิความตั้งใจมั่นก็จับเข้าในจิตตะเสขาโอเบขาความวางเฉย วางเฉยต่อสังขารทั้งหลายตกกองทมแต่ละบทระบาทครบไต่สิกขาหมดไต่สิกขาก็คือสีงสมาธิปัญญาเพราะว่าย้อลงเปสอง ก, ก็คือพระธรรมเวัยที่นี้เฉพาะวันนี้เราคงจัดเทศองค์หลวงปู่มหาให้เสร็จไปเสียก่อน ของอ ง, องขององหลวงปู่มหานีมีมีม่วันเทศมีไรเ ม, ม่วันทาจะเทศท่้งเราเทศท่างองหลวงปู่มหาองหลวงปู่มหาท่านก็เทศถึงชัวโมงหนึ่งแล้วเราจะไปเทศแอบกับท่านเองเป็นสองกับตัวทพู้นั่งก็ไม่ไหวฮะ ทีนี้เราคนเดียวเราคนเดียวหมู่เพื่อนจะว่า ย, ยัางไงไม่สร้างเราคนเดียวทีนี้หมู่เพื่อนจะเห็นดียังไงมันก็ไม่สร้างคนหนึ่งก็อยากกะฟังอันหนึ่งคนหนึ่งก็อยากกะฟังอันหนึ่งมันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตามท่านผู้ใดหรือแต่ว่าเทศเรื่องไหนก็ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันก็จริงอยู่ แต่บรหารของผู้เทศต่างกันถึงน้อมมาก็เป็นศียสมาธิปัญญาอันเดียวกันโทษชงเจ็ดถ้าจะน้อมมาในทางปฏิบัติหนึ่งสติความระดึกได้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สองธรรมวิจยะความสอดส่องทมในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สามวิทยะความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้หนึ่งสติความเร่งได้สองธรรมวิทยาความสดทองธรรสามวิทยค า, FE, า, าวทยความเพียรถูกแล้วสี่ปีติความอิ่มใจในกรรมฐานที่ตั้งไว้ห้าปัตธิความสงบใจและอารมณ์ในกรรมฐานที่ตั้งไว้หกสมาธิความตั้งใจมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้เจ็ดโอเบขาความวางเฉยในกรรมฐานที่ตั้งไว้วางเฉยในสังขารทางปวง ยินดีต่อกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกกรงก็เป็นเชือกเรียวเดียวอยู่ที่กรรมฐานที่ตั้งไวส้สติปัฏฐานเสดพิกรณาก า, ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้พิกรณ า, าเวทนาความสวยอารมณ์ในกรรมฐานที่ตั้งไว้พิกรณาจิตในกรรมฐานที่ตั้งไว้พิกรณาธรรมในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ม่ความหมายอันเดียวกันกรรมาฐานอันเดียวสติประฐานสีสัมมประทาน ส, ส, านสี่คือความเพียรสี่อย่างที่ว่ามาแล้วร ะ, ะบาปบเร็งบุญอิทธิบาทสี่คือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะพอใจและไขในกรรมาฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมาฐานที่ตั้งไว้ สติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้อิสิบัติอินซีห้าที่นี่พระคือทําำไมกําลังห้าอย่างหนึ่งพัฒนาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้สองวิยะความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สามสติความระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สี่สมาธิความตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ห้าปัจสัติห้าปัญญาความรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็มีความอันไว้ อันในความหมาอันเดียวกันอินทรีห้าพระห้าก็ว่าอินทรีห้าพระคือทำในกาลังห้าอย่างอินทรีห้าก็เรียกเพราะเป็นจิตธุระใหญ่ในจิตธุระของตนโพษชงเก็ดก็ว่าแล้วมักมี อ, องแปดทําจาพวกเหล่านี้เป็นสำหรับตัดสรุปพระ น, นิพพานก็กลืนอันเดียวกันหมดมักมี อ, องแปดคืออะไรบ้างสมาเทติ ปัญญาอ่นเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักทุกเป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดมักเป็นของเป็นผลของนิโรธมักเป็นเหตุให้ถึงนิโรธนิโรธเป็นผลของมักจกลงอริยสัจสี่ก็ย่นลงเป็นสองทุกับสมุทัยเป็นของควรรู้ มักกำเนิโรคเป็นของควรทำให้แก้มักเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความแบบทุกนี้โรคคือทำให้แก้ในคันธะสันดาลย่อลงเป็นสองย่อดลงเป็ น, นปหนึ่งก็คือใจใจท่านั้นเป็นหัวหน้าของทำทุกหมวดไปอัดมือทีพระธรรมขันก็ใจเป็นหัวหน้า พูดนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็ใจเป็นหัวหน้าคนตายนั่งไม่เป็นพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ใจเป็นหัวหน้าคนตายพูดไม่เป็นนั่งต่อไปเอาหลวงปู่มหามาเทศซนะักเขาก็มาให้พูดมากฮะลมหายใจเข้าข้างหนึ่ง ครบแปดหมื่นสีพระรมมขันแล้วเว้นไว้แต่ไม่ต้องการมีทั้งศีลสมาธิปัญญากรุงเตืนกันอยู่กับสติสัมปญญะด้วยลมหายใจเข้าข้างออกข้างหนึ่งก็ครบแปดหมื่นสีพระธมมาขันแล้วครบตรสีขาด้วยมีทั้งทานเสีลภาวนาอยู่ในที่นั้นด้วยมีทั้งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่นั้นด้วยมีทั้งความเกิดแก่เก็บตายอยู่ในที่นั้นด้วยเว้นไว้แต่ไม่ต้องการ มีทั้งอดีตอนาคตด้วยอดีตคืออะไรคือลมออกลมเข้าที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือลมเข้าลมออกที่ยังไม่มาถึงอดีตคืออะไรคืออันนิจจังที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออันิจจังที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออันิจจังที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือโรคที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือโรคที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือโรคที่กําลังเป็นอยู่มีความหมายอันเดียวกันอดีตคืออะไร คือความเกิดที่ร่วมไปแล้วอนาคตคือความเกิดที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือความเกิดที่ยังเป็นอยู่ความแก่ความเก็บความตายก็เหมือนกั น, กนถ้าจับปัจจุบันอยู่แล้วอดีตในขั้นนั้นๆก็ไม่สงสัยปัจจุบันอันเดียวขยายออกครบแปดหมืน่นสีพันสมการเลยอดีตคืออะไรคือนิทานปัจจุบันผู้ที่ไปคว้ามาพิจารณาอนาคตก็คือนิทานของผู้ปัจจุบัน ไปหวังแล้วไปคาดคาเรมาใครเป็นผู้กระตากกระต้าไก่กระต้าหรือไก่กระตา ก, ตากตาแล้วก็อ่อนภาษาภาษาอีสามมนมาอกันก็เ่อกีสังขารจิตตสังขารมโนสังขารเป็นผู้กระตากขึ้นกระต้าขึ้นไก่กระต้าหรือไก่กระตากเขาพูดยังไงไม่ทราบแล้วก็อ่อนภาษาภาษาต่างตัวไหนไข้เพรตัวนั้นกระตา้า เมื่คิดใจเป็นผู้ไขขึ้นมันก็กระตากออกมาปัญหามันมีมากมันก็มากออกมาจากใจมันมีน้อยมันก็น้อยออกมาจากใจเมื่อมันหลงใจตอนไหนปัญหาของมันก็มากเมื่อมันไม่หลงใจตอนไหนปัญหาของมันก็ไม่มากโลกโกรธหลงมันก็เกิดขึ้นที่ใจถ้าไม่มีใจมันก็ไม่โลกไม่โกรธไม่หลง คนตายไม่เห็นว่ามันโลภมันโกรมันหลงนั่นนากูนั่นหูกูตากูหูกูมันไม่มีเพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั่นพูดให้สั้นขอสั้นพูดให้ยาวขอยาวพราะเอาเป็นผู้ทําให้ยาวเพราะใจเป็นผู้ทําให้ยาวเพราะใจเป็นผู้ทําให้สั้นผู้สมมุติก็ใจเป็นผู้สมมุติผู้วิมุตติใจเป็นผู้วิมุตติผู้เขียนก็ใจเป็นผู้เขียนผู้อ่านก็ใจเป็นผู้อ่านคนตายอ่านไม่เป็น ผู้รบก็ใจเป็นผู้รบคนตายลบไม่เป็นผู้สำคัญว่าได้ก็ใจเป็นผู้สำคัญว่าได้ผู้สำคัญว่าเสียก็ใจเป็นผู้สาคัญว่าเสียผู้ดีใจก็ใจเป็นผู้สำคัญว่าดีใจผู้เสียใจก็ใจเป็นผู้สำคัญว่าเสียใจไม่มีใครมาแย่งทางานเลยอันนี้ก็น่าควรคิดนอถ้าใจฉนาดสิ่งไหนที่ดีก็จงทำซักใจจะปล่อยให้ใครเป็นหัวหน้าถ้าใจไม่มีปรรัญญาจะให้ผีตัวไหนมนมีปรรัญญา ถ้าใจไม่มีสติจะให้ผีตัวไหนมามีสติ่ะถ้าใจไม่ทําดีจะให้ใครให้ผีตัวไหนมาทําดีคนตายทําไม่เป็นนั่งร่นลงมาเป็นหนึ่งแล้วศีลสมาธิปัญญาร่นลงมาใกล้ๆไม่อยู่ทุกท่านใจดิฉันไม่มีใจผมไม่มีก็คาดคานมาสิก็คัดคาดไม่ได้น่เรียกว่าเอกนิบาตพระบรมศาสนาเทพบางทีเขาเทศเอกนิบาต บางทีก็เทศดุดา่าบางทีก็เทศตอบโยนพระบรมศาลาบางเทศบาง ท, างทีก็เทศถามหาอุบายถามย่อนถามเพื่อให้เข้าใจบางทีก็หาอุบายพูดยาวเหยียบเพื่อให้เข้าใจบางทีก็พูดสั้นๆบางทีก็บางทีก็หาอุบายดุด่าบางทีก็ต อ, อบโยนเหมือนเราคันไม้ บางทีก็ฟันค่อยบางทีก็ฟันแรงบางฟันแรงเราคุดดินก็เหมือนกันคุดค่อยๆก็มีคุดแรงๆก็มีแเราหายใจเข้าหายใจออกก็เมันกันบางทีกว่าบางทีกว่าบางทีกว่าจนแม่ปรากฏจะอย่างไรก็สังขารและกลองทุกอันเดียวกันไม่มีอันอื่นมาแย่งทําอยู่นี่ที่นี่นี่มนหลงปู่มหาขึ้นเอ้า นี่มนันล็อก ป, ปูพหาขึ้นเลยเดี๋ยวมันจะสาย ท, <ำ>าท่านคักว่าให้ไป <ทำ S 1> รับส <ทำ S 1> วัสดิ์สังข้อห้ามตกนี่นะให้บตัวิดหมดแ้วเขาจะค่อยยอมไปนี่ท่านแยก่กว่ามาพูดจะเรื่องพระฟังอยู่ด้วยเหตุฉะนั้นจึงมีแต่บาลี คำว่าอาวิชชาหมายความว่าความหลงท่านเทศกน่ำความหลงอวิชชาก็คือความหลงถ้าทถือปัญญาและปัญญาไม่เหนือความหลงแล้วมันก็ข้ามความหลงไม่ได้ข้ามความหลงด้วยความไม่หลงที่องค์ท่านเทศุคติจันดู บุคคลผู้ยกหัวข้อขึ้นแสดงแลว้วก็รู้พระนิพพานเลยในอุปัตติจันทรููเหมือนดอกบัวตูมวิปติจันทรูบุคคลผู้อธิบายประมาณสี่ห้าคำก็เข้าใจความหมายก็พ้นจากเกลดเนยะมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งยิ่งเข้าใจประธะรระมะคือดอกบัวอยู่ใต้น้าอธิบายเท่าไรก็ยังไม่เข้าใจ เหมือนกอนราสารากาขอสระอาขานองค์ท่านเทศพระไม่มีโยมฟังด้วยโยมฟังจึงไม่ค่อยเข้าใจเพราะไม่สันทัดในบารีองค์ท่านเทศเอาแต่เนื้อของมันเพราะเทศให้พระฟังไม่มีโยมฟังมากเทศแนะนเรื่องอเวชาเรื่องทุกขส ม, มุทัยนรอดมาก ก็มีความหมายอันเดียวกันอเวชาคือความโง่ถ้าไมโง่มันก็ไม่โลภมันก็ไม่โกรธมันก็ไม่หลงความโง่กับโมหะก็มีความหมายอันเดียวกันโมหะเป็นคําไทยเป็นคําภาษาอังกฤความโง่เป็นภาษาชาวบ้านอเวชา เป็นภาษามัคตอวิชชาแปลว่าความโง่แปลออกเป็นสี่อวิชชาแปลว่าความโง่สี่ประเภทไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในเหตุเกิดทุกไม่รู้ความดับทุกขไม่รู้ทางดําเนินให้ถึงความดับทุกไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อดีตอนาคตและปัจจุบันโยงถึงกันเรียกว่าอาวิชชาสี่หรืออวิชชาแปด วิชชาสี่คืออะไรไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในทุกคัตสมุทยไม่รู้ในทุกขัน น, ขนิโรธไม่รู้ในมักเพื่อปฏิบัติให้ถึงนิโรธนี่อวิชชาสีอวิชชาแปดที่รวมเข้าอีกไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รูทท้ทั้งปฏิจจสมุปบาทน่ะที่เกี่ยวข้องันเป็นสายคือโลกโกโลงมันเกี่ยวข้องันเป็นสายฉันอธิบายลึกเพราะเป็นมีตาพระฟัง ความหลงมีเท่าใดปัญญาก็ต้องเหนือความหลงจึงจะชนะความหลงไฟไมีเท่าใดน้าก็ต้องเหนือไฟจึงจะดับไฟได้และก็รู้วิธีดับด้วยถ้าคนเราไม่เห็นโทษในความโกรธขนาจะละความโกรธได้ไม่เห็นโทษในความโลภขนาจะละความโลภได้เพราะมันยังอร่อยอยู่ ไม่เห็นโทษในหลุมฐานเพลิงทนายจึงจะไม่ลงหลุมฐานเพลิงถ้าเห็นโทษในหลุมฐานหลุมฐานเพิงพอแล้วดึงแขนไปมันก็ไม่ไปไม่เห็นโทษในอบายมุกทนายจะเว้นอบายมุกได้มันต้องเห็นโทษมันก็เว้นได้ไม่ต้องบอกมันเหตุฉะนั้นท่านจึงสอนให้เห็นเองถ้าฝ่ายเกิดจะฝ่ายดับ ทั้งฝ่ายทำขึ้นและผลของการทำขึ้นท่านจึงสอนให้เห็นเองถ้าบุคคมเหงให้เห็นเอาเงินจา้างหมดเงินแล้วมันก็ขบัตคืนนั่งความผิดเราก็ต้องเป็นผู้เห็นเองต้องเท็ดรลาบเองความถูกเราก็ต้องเป็นผู้เห็นเองเราจรึงจะรู้จักรักษาความถูกไว้ ถูกก็ไม่รู้จักผิดก็ไม่รู้จักฉะไ น, นจะปฏิบัติได้ใครๆก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันท่านผู้อื่นก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักถูกจักผิดมันก็ปฏิบัติไม่ได้การปฏิบัติถูกเพราะเราไม่สาสนาเขาบอกแล้วอปัญญากับปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์หก คือระวังตาหูจมูกเลียนกายใจไม่ให้ยินดียินไรในเวลาเห็นรูปฟังเสีย ง, งดมกลิ่นเลี่ยมรส ถ, ถูกต้องพลิตภัด้วยกายรู้ทำมารมน้่ยใจให้ใจเป็นกลางท่านว่าอย่างนันสองโพชเนมตันยุตารู้จับประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยสามชาคนียริยคประกอบความเพียรเพื่อจะทำรักใจกับของตนให้หมดจด ไม่เห็นแก่หับนอนกนโครกโครกมากทำสามข้อเนี่ยใครเอาปฏิบัติมันก็ไม่ผิดเงียงอาปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างเรียกว่าอปันนาการปฏิปทาสูตรสูตรที่ปฏิบัติไม่ผิดโทชเนมจันูุจารู้จักประมาณจินอาหารจะพอสมควรไม่มากไม่น้อย เท่านั้นคำเท่านี้คำพระบรมศาสด า, า, า, าเขาไม่ได้บอกไว้บอกว่ายังออกสี่ห้าคำดื่มน้ำซะก็พอดีแหละนี่เรียกว่ากินพอดีกินจนท้องกลางดื่มเงาไม่ได้เรียกว่ากินจุเวลาไปภาวนาก็สะเป่งกินมากชาคณญยานุโยกบางท่านอ่านไรยโยคะ เพราะมันเล่นรักแลกว้วก็อ่านโลกสิมไม่ได้เชื่อมกับวักอื่นชาคณียานิโลกประกอบความเพีเรยรเพื่อจะทำระใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่หลับมากนะักไม่เห็นแก่นอนมากนักไม่เลยว่าไม่เห็นแก่หลับมากนะักนอนอยู่ไม่หลับมันก็ไม่เป็นปัญหาภาวนามันก็ได้อยู่ที่หลับแล้วมันภาวนามันได้วันหนึ่งนอนพอดีนอนยังไงวันหนึ่งคืนหนึ่งนอนหลับ สามชั่วโมงพอแล้วคนหนุ่มบวกรลับแต่เราทุกวันนี้สองชั่วโมงทั้งยากเน <c oughs> อกินพอดีนอนพอดีหลับพอดีภาวนาได้ความเราอดอาหารเจ็ดวันไม่ได้ความเลยเห็นคนมาหลบไม่อยากพูดด้วยแต่แม่กวดให้เขา หามน้ำได้อยู่หามน้ำสองปี๊บได้อยู่อดอาหารเจ็ดวันแต่ไม่ได้ความอดนอนแต่เป็นหนุ่มอดนอนได้สี่คืนคืนที่สี่เขาทับย์สงบไม่เอาไม่ได้ความเดินจงกรมถ้าเดินมาก ไ, มได้ความเห็นทั้งทุกขังอ น, นิจจังอนัตตาทุกปริยาหมดเลยไม่ไม่จะไม่ต้องการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยจัก กำลังเหยียบเท้ากำลังเหยียบดินกำลังก้าวไปถอยกลับรู้จักหมดพิจารณาอะไรก็รู้จักหมดพระบรมศาลาก็ยืนยนันแล้วบางพระองค์เก่งทางยืนบางพระองค์เก่งทางนั่งบางพระองค์เก่งทัานนอนและนั่งนอนคือนอนไม่หลับนอนภาวนานั่งคือนั่งไม่หลับบางองค์ได้อริยาบทสามเดินก็ได้ ยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้เราแต่ชาก็ได้อิริยาบถทั้งสี่ยืนก็พิจรณาได้เหมือนกันนอนก็ได้พิจนาได้เหมือนกันหมายหมายความว่านอนไม่หลับนั่งก็ภาวนาได้เหมือนกันเดินก็ภาวนาได้เหมือนกันแต่เราไม่ค่อยได้ยืนเดี๋ยวชวนเดินยืนอยู่เดินภาวนาไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวชวนเดินแต่ว่าเดินภาวนาบางทีตลอดรุ่งก็มีที่ไม่มีงานกับครูบาอาจารย์ นั่งนั่งให้พอดีแต่ ว, ว่าเดินหกชั่วโมงวันหนึ่งคืนหนึ่ ง, งมันพอดีแล้วในเวลาขั้นอายุสามสิบหรือสี่สิคันอายุแก่มาแล้วมันก็เป็นเรื่องหนึ่งอายุแก่มาแล้วเก่งทางนอนแต่ไม่หลับแต่ไม่หลับพิจารณาอยู่พิจารณากองทุก ความเป็นจริงนักเทศมันเทศอยู่ไม่ลงธรรมะแล้วด้านแก่ก็ไม่ลงธรรมะด้านเจ็บก็ไม่ลงธรรมะด้านตายจากเศ้าสายบาดเที่ยงก็ไม่ลงธรรมะด้านเผื่อยเน่าในสกุล ร, รากายก็ไม่ลงธรรมะด้านอ น, นิจจังเกิดขึ้นแปลผวนในแตกสายก็ไม่ลงธรรมาสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้อแสตแดงอนิจจังทั้งนั้นเลยหมูนีมหมูนี่วันนี้มันต้ได้ มันชั้นตาขวามือเช่าใช่ไหมเอานี่เอานี่ยเรียกว่าอันนี้จังมันนี่มันนี่งานกันสิ่งไหนที่มันตั้งอยู่ไม่มีนึกขึ้นแล้วก็พูดไปล่วงไปล้วงไปล้วงไปคืออันนี้จังอันละเอียเทีบหัวเทียบตาเรียกใช่เรียกขวาอันนี้จังทั้งนั้นแหละจับนั่นจับนี่อันนี้จังเทียบหัวเทียบตาอนนี้จังทั้งนั้น นายใจเข้าออกก็อันนี้จังทั้งนะ่เราจะเห็นเรื่องไม่เห็นมันเป็นเรื่องของเราเองเราจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่เป็เรื่องของเราเพราะว่าเรามาศตร์าตรศรัทธาสอนให้รู้ตามเป็นจริงบาให้รู้ตามเป็นจริงความบาปแต่ให้รู้ตามเป็นจริงให้เวน้นบุญให้รู้ตามเป็นจริงความบุญแต่รู้ตามเป็นจริงให้ปฏิบัติตามไม่ใช่รู้ตามเป็นจริงเฉยๆทัศนานุตริยะความเห็นให้เยี่ยมเมื่อคนเห็นความเห็นเยีเ่ยมแล้วปฏิบัติไม่เยี่ยม ลิมุตานุตริยะความพ้นจากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เยี่ยมคัตนานุตริยะความเห็เยี่ยมปฏิปทานุนตริยะก็ปฏิบัติเยี่ยมลิมุตตานุตริยะความพ้นจึิงจะ่เยี่ยมไม่ใช่ท่องเอาความมันมาเป็นบริสุทธิ์เฉยๆถ้าจะนั้นก็อรหันต์อราหารันต์อย่างเนี้ยใครพูดก็ได้แต่ว่ารสของอราหันต์ไม่ได้ดื่มนั่นพระสวราบันพระสวราบันใครพูดก็ได้ แต่ว่าเล่เลขอยู่ตรงหาบเอาทำแต่ละบดระบาทสั่งให้ปลดอาวุธทั้งนั้นปลดอาวุธด้านโลภด้านโสดด้านหลงกามเมตตกความติในทางกามให้ผ่อนปลเสียเนอกรา พยาบาทวิตกความติในทางพยาบาทให้ผ่อนผ่อนสักมีญิสาววิตกความติในทางเบียดเบียนเธอจงห้ามเบกสักจนเหอดทาให้เหอดแห้งหายไปถ้าสิ่งเหล่านี้ขาดจากเธอไปแล้วมรผคนี่พ่านพกเธอก็ไม่ต้องร้องเรียกหาถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ขาดจากพันธสัญดานของพวกเธอแล้วพวกเธอจะร้องให้สักเพียงไหนก็ไม่เห็นดอกมรดคนีพาน พูดจนน้ำไหลไฟดับก็าตามเธอถ้าเบรคของเธอทางราคะไม่ห้ามลงเบรของเธอทางโทสะไม่ห้ามลงทางโมหะความหลงอะไรต่ออะไรสารพัดความหลงจะขาดที่หลังเขาถ้าไม่หลงมันก็ไม่โรคถ้าไม่หลงมันก็ไม่โกรธแต่ว่าโกรธกบหลงโกรธกบโรคหายหายไปแล้ว มันก็ยั ง, ลงหลงอยู่ยังหยูนิดหน่อยหลงพระสําคัญตัวพระสำคุกสำคัญตัวพระอนาคามิยังสําคัญตัวอยู่เป็นผู้เลิศกว่าเขาพระสาคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาก็สําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาก็สําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาพระอนาคามยังอีก เป็นผู้เสมอเขาประสามควาคัญตัวเร็วกว่าเขาจะพูดออกหรือไม่พูดออกไม่เป erm> ็นปัญหาตัวกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้เสมอเขาสําคัญต evet ัวเล็กว่าเขาเป็นผูดเสมอเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเป็นผูดเร็วกว่าเขาว่าสําคัญตัวเร็วกว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาก็สําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาก็สําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาความสําคัญตัวเร็วกว่าเขานั่นเป็นความสมดนถึงอย่างนั้นก็เป็นกิเลสอยู่เพราะสําคัญตัว วันพระลหขันไม่มีเลยไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้น mm hmm. เห็นเป็นธาตุเป็นน้าเป็นขันเห็นเป็นกองสังขารไปทั้งหมดเลยเห็นทั้งมิถ اني พนานไปทั้งหมดเลยเห็นพระนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานเห็นสังขารตามเปจริงของสังขารแต่ไม่สําคัญตัวอยู่ในสังขารในพระนิพพานด้วยนั่นคือถอนอก ป, ปาทาน วิญญาณปฏิสมพินธ์แตกแต่เจออวิชชาตันหาอุปทานก็แตกแต่เจอในนัี่นั่นเองอทามีนิดเดียวไม่ได้มีมากมีมากก็คือโวหารโวหาก็หาลงมาหารโรคกวดหลงนั่นเองถ้าไม่มีโรคมีโกดไม่หลงจะพูดวันยังค่ำก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนนกบินในอากาศเนี่ยมันไม่มีรอย ถ้ามีโรอเบียโกดองอยู่ขันท่าชันดาลแล้วจะไม่พูดมันก็ขังอยู่นั่นเองอีพ่ออีแม่เอ๋ ย, อเอเ ย, อยถ้าอย่างนั้นกบมันก็เป็นพระทหารหมดถูกไหมถ้าถือว่าพูดมากมันจะสำเร็จพระทหารอย่างนี้ก็ดีถ้าอย่างนั้นนกอะไรปีดำๆเขายาวนกอะไรพวกภาคอีสานเขายาวนกเต่ มันก็ร้องดูนกคนักดกกข้ามาตันดูมดวันถ้าจะว่าผู้กินผักมันบริสุทธิ์อย่างนี้โคก็บือมันก็เป็นพระหันซีถ้าจะว่าผู้กินเนื้อมันเป็นสําเร็จพละหารอย่างนี้ก็เสือก็ต้องอะไรหันเสือซีนั่น เรื่องกินเพราะบรมศาสดาสอนไว้แล้วพอดีพงงามแล้วเราไม่ควรจะไปเอาทุ่มเสียงเสียงนอนกันเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อโคออเนื้อช้างเนื้อหมาเนื้อมนุษย์เนื้อหมีเนื้อเสือเสือดาวเสือโค่เนื้อหมาเนื้อมนุษย์เนื้อหมีทาไมท่านจึงมาให้กินเนื้อหมีเพราะไปอยู่ฝ่ามันสุกขนมันจะกัด งูก็เหมือนกันห้ามม่ให้กินส่วนแม่ท่านห้ามม่ให้กินเพราะเป็นของพระบรมราชาช้างก็เหมือนกันส่วนสุนัขเป็นของตําชาที่ชาวโลกเขาถือไม่ควรกินเธอใดจะกินเนื้อจะไม่กําหนดในเนื้อถ้ามาพิจารณาก่อนอยากไปกันเนื้อเอ น, นื้ออย่างนี้ก็่เาเธอไหนกินเนื้อจงสมมุติว่าเรากินลูกบุตร เนื้อบุตรของเราความกำหนักก็ไม่มากท่านผูงชมเรากินเนื้อบุตรของเราหรือไม่อย่างนั้นเรากินดินมคําความกำหนักก็ไม่มากเพราะถ่ายออกไปแล้วจะไปเป็นดินท่านผู้เขาใส่บาดรให้มากๆถ้ามันมีความกำหนัดให้สมมติเราเป็นธาตุดินเต็มบาดเนะื้อพระบรมาศราสนาสอนอย่างนั้น สอนเป็นเครื่องออกไม่ได้สอนให้เพื่อนเป็นเพิ่มราคะโทสะโมหะคําสอนเจ้าวรสวาเป็นเรื่องลดดอนราคะโทสะโมหะทั้งนั้นคําสอนพระพุทธศาสนาแต่พวกเราเอามาบวกกันมาบวกให้เป็นราคะโทสะโมหะขึ้นถ้าใครขมีโกนท่านบอกว่าถห้เอาไปโกนผมจะเอาไปปากคอกันนะใช่ไม่รูก ให้ระวังตาไม่ให้ดูอะไรหรือถ้าอย่างนั้นเอาคนตาบอดมาบวชให้ระวังหูอเอาคนหูหวงวามาบวชสีบวชปีไม่ให้ยินดีเรนรายในตาในหูให้เป็นแต่สักว่าตาให้เป็นแต่สักว่าหูให้เป็นแต่สักว่าลูปกระจกเสียงนั้นเน้อพราาะบรมศาลาเธออย่าสรงต่อไปทางกามรม้าวิกพยาบาด ท, ที่ตกไม่เห็งสายตกก่อมตื่องกันไปดูเสียงกินรถขอสะพะกเหมือ น, น, นกัน คนเราไม่ยินดีปฏิบัติก็คือไม่ยินดีอยากจะออกสูบสานพเอเพลิงแก่เพลิงเจ็บเพลิงตายทำไมก็งไม่ยินดีเพราะบารมียังอ่อนอยู่นั่นคือางอิ่งอุอี่อเมื่อาบารมีแก่ก้าวมาแล้วมันก็ไม่อยู่ละจะเดึงไว้ก็ไม่ไหวถ้าบารมีแก่้าวมาแล้ว คือลบองปู่มหาท่านบอกว่าตัวไหนอยู่ปากคอกมันก็ออกก่อนตัวปากคอกคือตัวอะไรคือต่อต <n transformer> ัวดอกบัวตูนนั่นเองโคก็เหมือนกันเขาร่ำรู้ไว้ตัวไหนมันอยู่ใกล้ประตูเขาไปเปิดมันก็ออกก่อนไม่ว่าโคแก่โคนขันใดไปผู้สร้างบารมีแจกกล้าไม้ก็ไม่นิยมชั้นวันนี้ก็ออกไปเลยผู้สาคัญตัว ว่าเป็นคนชลาดแต่ไม่ยินดีในพระพุทธศาสนาความสำคัญตัวอันนั้นจะเสียใจในภายหลังเอหวังเอาละเหนียวแล้ว <c oughs> ยาสาวาเรวะฮ า, าปุราปริปุเรนสีตากลางังทำไมเราจึงโอนหน้าไ่อยๆเพราะเราปวดฟันเรา <c oughs> เดี๋ย ว, วลบปู่เป็นบ้าหรือ ญาติสาวาลีว่าหาปริไปพูเรนตีสาครลังเรวามีวัยตัวติดนางเปตาลังปัสสะติดิตังปัสสะตังสุมงสิปโมเมวะแต่ใสตุสัพเพปูเรนตุสังกับป่าจันโทปนารโถญาตามนีโถเทโสญาตัสัพพีเทโยววัชชนโลสัพพโสุโขสัพพโยสัพโรโควีนัสสุมาเตโสวัชชนราโยยุคีตีคาโยโข เอาภีวาตนาสีพิสานิจังวุฒาปะจายโมจัตตารุธรรมาวัชานิตอายุวั น, นโนสุ ข, ขังพระหลังด้วยเรชพระพุทธศาสานาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่เช่นอยู่พระผู้รู้และไม่รู้ไม่เช่นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อและก็เหนือโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายทุกมันหน้า าทั่วทั้งใจโลคาลงประสบแต่ความสุขความเจริญในบอกว่าพระพุทธศาสนาของพระสมัยพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกรอยชออยู่ทุกเมื่าไม่มีประมาณนั่นเธอปฏิบัติบัญญัติปฏิบัติัญญัติธรรมอันใดที่รู้ตามเป็นจรงิงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลือพวกเราทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจ ร, งริงปฏิบัติตามเปนจริงรุดพ้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลืออยู่ทุกขเมื่อเธออะไรอย